ทรงอนุญาตให้ยกปาติโมขึ้นแสดงสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่ยกปาติโมขึ้นแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลายต่อมาภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าใครหนอควรยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้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 ประนามโพนทนาว่าภิกษุณีเหล่านี้เป็นพันยาของภิกษุเหล่านี้ภิกษุณีเหล่านี้เป็นชู้ของภิกษุเหล่านี้บัดนี้ภิกษุเหล่านี้จะอภิรมกับภิกษุณีเหล่านี้บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษได้ยินคนทั้งหลายตาหนิประนามโพลนทนา จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายไม่พึงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลายรูปใดยกขึ้นแสดงต้องอาบัติทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีทั้งหลาย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 อธิบายให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบว่าพึงยกปาฏิโมกขึ้นแสดงอย่างนี้